ลองทำกันเนาะเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการศึกษาปฏิบัติได้ยินได้ฟังจะได้สะดวกเวลาเราปฏิบัติปฏิบัติทำเสมือนเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางแล้วก็มีแผนที่ ก็ได้บอกแข็นที่เอาไว้ผู้เดินทางก็จะสะดวกว่าไปทางเดียวกันเรามาเจริญจิตดูกายเคลื่อนไหวถหงนใจคิดที่มันคิดขึ้นมาเห็นทั้งสองแต่ทางทางกายก็เห็นทางใจก็เห็น มีอะไรมาเกิดขึ้นที่กายที่ใจนี้ถ้าเรามีจิตติจะเป็นเกณฑ์ชี้วัดได้เกี่ยวข้องกับปการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจมีจิตติรู้จักตัวอยาบหาคำตอบจากเชิดผลเอาความคิด หาคำตอบจากความคิดอย่าเป็นให้มันเอาอยากออกง่ายให้มีความรู้สึกตัวให้มีความรู้สึกตัวกลับมาตั้งไว้ที่กายเคลื่อนไหวนี่ผิดแล้วก็กลับมาถูกเแล้วกลับมาสุกเแล้วกลับมายากแล้าให้กลับมาสัมมาทิฏฐิกายอย่าให้ผิดเป็นผิดจะให้ยากเป็นยากใจง่ายเป็นง่าย อย่าให้พอใจเป็นความพอใจอย่าให้ไม่พอใจไม่เป็นความไม่พอใจอย่าไปโน่นมันจะเดินช้ากลับมาทุกครั้งที่มันผิดไปจากที่เราตั้งไวน้นี่เรียกว่าเข้มอลับมาฐานเข้มกลับมาทุกทีกลับมาทุกทีการทำอย่างนี้อย่าเรียกร้องอะไร อย่าคิดว่าใครจะมาช่วยเหลือเราถ้าเราคิดว่าคนอื่นจะมาช่วยมันจะอ่อนแอก็เจอล้นกลับมาเองรู้เองให้มันเชื่อมแข็งตรงนี้ว่าจะสะดวกถ้ามันยากก็ถือว่ายากไปโอ้ยทาไม่ได้จ้ะก็ยากไปแล้วมันไม่ค่อยสะดวก เวลาที่มันค่องแวกผิดก็ไม่ชอบถูกก็ชอบสงบก็ไม่ก็ชอบไม่สงบไม่ชอบอย่าไปอย่างนั้นอย่ า, าไปเอาโน่นเอาดีวันเอาถ้ามันเห็นอย่าเข้าไปเอาอย่าเข้าไปเป็นกับมันให้รู้จักตัวเนี่ยวิธีปฏิบัติธรรมคือเดินทางไปไวจักหน่อย ผิดก็เป็นผิดเหมือนจะไม่ไหวเหมือนกับขั้วหน้าขั้วหลังใตายวาัวผิดก็ไม่ชอบขั้วอันไปทาง้ายแล้วก็ ถ, ถูกก็ชอบไปทางขัวแล้วไม่ตรงไม่ปฏิบัติตรง ต้องปฏิบัติแล้มัตรงตรงกับความรู้จักตัวกับมหาความรู้จักตัวนี่คือรีบด่วนไอ้มันฟรีเวยไปเลยทางผิดทางถูกผ่านได้อย่าเป็นเรื่องยากเรื่องง่ายตรงนี้แล้วเมื่อมันยากกับง่ายก็ไปกันใหญ่ทำได้ทำไม่ได้ ตายเป็นคนอ่อนเถอะแม้ไม่นคนมาช่วยก็ให้ทำเองอย่าให้คนช่วยบอกผิดบอกถูกผิดถูกต้กองรู้เองต้องตอบด้วยเองเพราะมีสติเป็นเจนที่วัดอยู่แล้ว ใหม่ๆก็กลับมาไปไวจชักหน่อยให้มันจำนานตรงนี้หลงก็จำนานในความรู้ผิดก็ทานานในความรู้สุขทำให้จำนานในความรู้ทุกข์ก็ทําให้ชํำนานในความรู้มาทางนีกก้ให้มันจานานในความรู้าานนนรสึกตัวไปก่อนต่อไปมันจะ ฉเฉลยที่หลังบางอย่างแกมแจ้งก้นมาไ ม, ม่อาจจะลิบหลีแต่ถ้หลักเป็นทางเหยียบไปก่อนเดินไปก่อนเดินไปก่อนทุกครั้งมันก็จะเป็นทางโล่งเตียนมากขึ้นสะดวกมากขึ้นด้วยปิดเป็นครูจะไห้เราเชื่อมแข็ง ในสิ่งที่อ่อนเดขึ้นมาแต่ยากก็ไม่ทำท้า ง, ง่ายเราจึงทำาว่าน็นคนอ่อนเดาได้ทำอะไรก็ไม่เป็นทำให้มันเป็นมันเป็นพระความยากไม่เป็นพระความง่ายจากง่ายก็อ่อนเดาแต่ยากก็ถึงเชียดไปเลยไม่เอาเลยทิ้ง ไม่เอางานโอการจรึงเป็นการฝึกตนสอนตนจริงๆมีกายมีใจก็สอนกายสอนใจจริงๆถ้าไม่สอนมันก็ไปทำให้เราไม่ได้ประโยชน์จากกายจากใจผิดอยู่ก็เป็นผิดอยู่ทุก ทุกข์ก็เป็นทุกข์อยู่ทุกเรื่องเก่าทุกได้ต้องอีกอยู่ไม่ผ่านสักทีก็เลยวนเวียนอยู่เป็นวัตตะจึงมาปลึกตัวเองเนี่ให้มันหลุดพ้นการหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆที่มันเกิดกับกายกับใจนี่จะมันหลงกับรู้เนี่ย มันดูกับรูเนี่ยแต่ว่ารูซื่อๆตัวเนี้ยมันไม่ใช่รูซื่อๆมันพัฒนาไปเรื่อยการรูจิกตัวเวลามันหลงไปรูจิกตัวเนี่ยเวลามันจบรูจิกตัวเวลามันทุกข์รูจิกตัวเมื่อจำนานมากขึ้นเราก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเมื่อก็จะกําจัดความผิด คำจัดความชั่วความจัดความทุกข์ไปเองไกลไปเองอยู่ที่การกระทำเมืก็เราเดินทางก้าวทีละก้าวแล้วก็ไปกันเองผ่านไปเป็นโน่นเป็นนี่ไปบอกบอกทิศทางได้เลย่ยเดินทาง จากกรุงเทพมาจะยุดครุมเนี่ยอาบานเรื่อยๆก็ผ่านไปเรื่อยม า, เอ า, าเอาบ้านนั่นไว้หลังเอาบ้านนี้ไว้หลังเรื่อยๆไปจนถึงจุดหมายปลายทางาก่อนลู่จุดตัวนั่นก็เหมือนการเดินทางที่ตะก้าววันหลงก่อรู้นี่านได้แล้วมาจุกก่อรูผ่านได้แล้ ว, ว, กกลลวถ้าหลงเป็นหลงไม่ผ่านเลยยังอยู่ที่เก่า ไปไม่ถึงไหนยังไม่ถึงจิตยังไปไม่ถึงจิตที่ควรทําให้ถึงยังไม่แจ้งนะจิตที่เราทําไม่แจ้งหลงก็เป็นหลงไม่แจ้งตัวดีแต่ที่เป็นรูซ่หลงเป็นรูจะมันก็จะค่อยแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นก็ถึงถิ่ที่ยังถึงถิ่ที่ไม่แจ้งแล้วแจ้งแล้วรูแล้วแจ้งแล้ว ตามไร่แล้วแล้วเป็นอย่างนี้การปฏิบัติมันไม่เอาความหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซนผ่านได้ร้อยเปอไม่เสียเวลาตรงนี้ควทุกไม่ถูกต้องความไม่ทุกไม่ถูกต้องผ่านได้ร้อยเปอ แต่ก่อนมันคงอยู่แถวนี้เป็นสุขเป็นทุกข์กับความคิดแต่ก่อนก็ไม่เคยเห็นความคิดความคิดมาให้เป็นสุขเป็นทุกข์เลยไม่ค่อยได้ประโยชน์ถ้าเราไม่สอนมันมันก็ต่ําลงไปเปื้อนเลอะเอทอะไปหมดเลย จากกิจใจที่บริสุทธิ์เปเื่อนไปหมดใช่ไหมเป็นจะมาฝึกเข้มในมหัใช่ให้มันเป็นเข้าสนามฝึกเข้าค่ายฝึกมีการแสดงออกจริงๆการฝึกไม่ใช่ไปคิดนึกเป็นแผนที่เฉยๆเป็นหลักปฏิบัติเป็นการสัมผัส การทำงานก็สัมผัส็ใช่เก็บแต่รู้เฉยๆเรียนรู้หนังสือเขียนไม่เป็นก็ไม่มีประโยชน์มาเขียนทั้งเขียนได้ทั้งอ่านออกการฝึกกรรมฐานก็เช่นเดียวกันทำได้สัมผัสดูชี้สัมผัสกับกายเคลื่อนไหวรู้จักตัวเนี่ย มีกายเอามาต่อเอากับกงรู้จักตัวเนี่ยสอนเล่าสอนเด็กลอยข้องกันหนุนเล่าก็ไม่เคยรู้ที่กายเดินฟีมาขี่เก้าก็ไม่รู้คิดฟีกี่ร้อยกี่อสองข่ายคิดไปค่อยรู้จักสุกก็ขี่สงไขยสุกทุกขี่สงไขยทุกไม่ค่อยรู้จัก ศึกตัวไม่รู้จึกตัววันนี้มันสอนวนันให้สองผัลแตกต่างกันมันจะแตกต่างกันให้มีความรู้จึกตัวดูกายเคลื่อนไหวแลระบบมาจะเห็นใจที่มันคิดวันคิดเรื่งใดกลับมารู้จึกตัวที่ตั้งวันี้อมีที่ตั้งอมีการกระทําอยู่ตรงนี้ อย่ารูดออกไปวันจะวันนักเรียนจะปริ้นสอปากกาเขียนลงไปในกระดาษเขียนหนังสือเลขตัวเดียวมันก็ ง, งามขึ้นอัดเขียนเลขห้าเขียนเลขเก <c oughs> <c oughs> ้าถ้าไปเขียนเลขศูน <c oughs> <c oughs> อย่างเดียวก็อันอื่นก็ไม่เจง ก็มันจะเขียนเป็นชำนานมากขึ้นเขียนได้สวยงามกว่าเก่ามากขึ้นแต่ก็มีบรรทัดต่อไปมันนักใช้บรรทัดก็ได้ขเขียนตรงเลยจึงหัดกายหัดใจก็เช่เนเดียว ก, กันมีกรรมคือการกระทํำอยู่ มีที่เกาะมีที่จับอยู่นี่รวมรู้จักตัวเป็นนา ม, มนธรรมกลายเป็นวัตถุก็กลับมาสัมผัสได้เดินก็รู้ได้เคลื่อนมือก็รู้ได้ยืนเดินนั่งนอนรู้ได้อาจใหม่ๆก็ต้องติดตามเจตนาไม่ใช่ทำเล่น ส่ใจเจตนาเจตนาเป็นกรรมถ้าไม่มีเจตนามก็ไม่เป็นกรรมทำเล่นเล่นยกมือเล่นเล่นต้งพูดต้องคุยกันทั้งคิดไปทั้งยกมือมาจะด้านดื้อด้านต้องเจตนาจริงๆบรรจงไปจริงๆไม่ใช่เขียนเล่นๆ เ, เขียนหนังสือขีดหน้าเขีดหลัง เขจตนาให้เป็นหลายลักษณ์อักษรคำว่ารู้ไปในกายกรรมฐานน่ะตัู้้เขนเข้ารู้จักตัวเหยื่อเขียนออกรู้จักตัวมารู้จริงๆไปกับกายเคลื่อนไหวนี่พร้อมๆกันไปไม่ต้องไปเพ่งเป็นเล็งรู้ง่ายๆรู้เบาๆรู้เบารู้แบบเห็นไม่ใช่รู้แบบเป็น รูปแบบดูไม่จชยู่แบบอยู่แต่รูปแบบอยู่มันจะเครียด่ายเพ่งยากแน่นหน้าอกหัวต้นคอต้นแขนรูปเบาๆตัวแขนเข้าอย่าแขนดอกรูปเบาๆาใจง่ายๆปล่อยๆวางๆอย่าไปจริงจัง เอาจริงเอาจังจนเคียดก็มีไม่ใช่อย่างนั้นหวางทีให้หัวเราะความผิดได้ยิ้มน้อยๆกับตัวเองเวลามันผิดได้ยิ้มเป็นเวลามันยากยิ้มเป็นถ้ามันยากเราหน้าปวดหน้าบึง้งมันก็ยิ่งเพิ่มความยากขึ้นอีกหัวเราะความยากหัวเราะความคิดตัวเอง หัวลกความผิดหัวโลกความถูกหัวลกสุขหัวลกความทุ ก, กขก์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่มีค่าอะไรที่มันอาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยถ้าเราทําง่ายๆจะรู้สึกสนุกดีได้บทเรียนดีชอบด้วยเวลามันผิดจริ่งชอบใหญ่เออเนี่ยต้องใจ เรามรรทุกก็ชอบใหญ่เออจุดนี้เออมันผิดจุดนี้มันทุกจุดนี้อืจากเข้าไปผิดด้วยซ่้ำไปอเราทุ่งจ้างก็ชอบด้วยเอออยากเห็นหน้าเห็นตามันเนียแม้มันเคยจเจรจาตกหาก็ชอบด้วยจะได้รู้เรื่องรู้เรามันเราอยู่ดีๆมันไปนูน่ตนต่าความคิดก็เหมือนกันไว้ได้คิดเรื่อง น, น, นู่นเรื่องนี้ทําไมคิด มาไปน่นไปนี่ไอความคิดหลอกไปเดี๋ยวเวลาเป็นสิบนาทียี่สิบนาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันก็มีกลายเป็นความฟุ้งซ่านไปเลยมาดีๆเดี๋ยวตั้งใจมาดีดก็ฟุ้งซ่านไปเลยอันนั้นก็ยังไม่ทำอันนี้ก็ยังไม่ทำอันนั้นก็ยุ่งยาก เดี๋ยวกลับไปบ้านก่อน<ม>เดี๋ยวความคิดก็หอบพิ้วไปจับกับเป๋ากลับบ้านไปเลยถ้าเชื่อความคิดไม่รู้จักทักท้วงความคิดตัวเองเคยมีเหมือนกันว่าก่อนมาปฏิบัติถามหนูมีลูกกรงคนหนูจะเรื่องลูกไหวหรือเปล่า อเกิดอ the like ุบัติเหตุเสียชีวิตจะคิดถึงก็อต้องมาคิดเรื่องเรื่องลูกเอาเรื่องลูกไว้คิดเอาเรื่องความรักความชังมาคิดมันมีได้ก็มีลูกก็คิดถึงลูกคนไม่ผัวไม่เมียอาจจะคิดถึงผัวถึงเมียได้ก็มีความรักก็คิดถึงความรักก็มีมความโกรธเกลียดเคียดแค้นก็อาจจะคิดถึงเรื่องนั้นได้ นั่นแหละเป็นบทเรียนที่เราจะต้องทวนให้ได้กลับมารู้จักตัวมันไม่ยากมันเดือแต่โกนไม่ได้ออกแรงถ้าทมเป็นมันเป็นเรื่องง่ายสะดวกที่สุดก็บอารู้จักตัวแต่ครั้งที่มันหลงไปใหญ่ๆหนักๆกลับมารู้จักตั ว, น, น, ตวน่าเนี่ยมันน่า น่าจะได้กำลังตรงนี้เข้มแข็งตรงนี้ในการฝึกหัดตัวเองไม่ใช่จะมาทำแบบเดอดวันห้าวันสิบวันกำหนดเอาเฉยๆไม่ใช่สิบสี่จังหวะเป็นวิธีความรู้แล้วก็รู้ทุกจังหวะนี่มันไม่ใช่น้อยนะ ลูกวินาทีก็ว่าได้มันจะได้มากขึ้นมากขึ้นความรู้จักตัวเนี่ยวินาทีละลูกวินาทีหนึ่งลูกทีหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งจะมีกี่ลูกมันจะชำนาญตรงนี้่อความรู้จักตัวเนี่ยมันจะติดถ้ามันติดแล้วมันจะขยายมากขึ้น จำนานมากขึ้นง่ายมากขึ้นแต่ก่อนง่ายจะในการหลงต่อไปจะง่ายในความไม่หลงง่ายในความรู้จักตัวมันจะเป็นความจำนานอย่างนั้นเราได้ไวกว่าเก่าไม่เนิ่นช้านี่การฝึกตนสอนตนว่าต้องม่เจตนาพอสมควร ถ้าไม่มีเจตนากรรมก็ไม่จะได้ผลเจตน า, าหังนพิกะเวรกรร ม, มวมัฏฐมิกรรมที่จะมันมีผลต้องมีเจตนากรรมาฐานที่มันจะมีผลเป็นวิปัสนาเป็นกวงหลุดพ้นต้องมีเจตนาทำจริงๆถ้าไม่มีเจตนากรรมนั้นก็ไม่ให้ผล กรรมจึงเป็นจิงจำแนกไปกรรมฐานมันศักดิ์สิทธิ์อย่าไป อ, าอ้อนอื่นมาอวดเลยถ้าเป็กรรมฐานเนี่ยชิ้นเวรชิ่นไปชิ้นบาปชิ้นกรรมได้ตัดกรรมได้ดความสุขมันเกิดขึ้นลู่ถึงตัวความทุกข์มันเกิดขึ้นลู่ถึงตัวเนี่ยอัด ความุกตัดความทุกเป็นความรู้จักตัวตัดอะไรที่มันไม่ใช่ความรู้สัตัวมาเป็นความรู้สัตัวทั้งหมดอวันยิ่งใหญ่จะเป็นสติอินทรีย์เป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจเลยทีเดียวถ้ามันใหญ่จะนี่กายเราไม่มีเลยใครเป็นเจ้าของเถื่อนที่สุดใจก็เถื่อนที่สุด เจเา้าข้าเจ้ากอกแล้วแต่เขาจะหอผิวไปไหนคิดไปทางใดอลางคืนเป็นควานกลางวันเป็ น, นเปรีวกลางคืนว่าวขวัญกับวันก็ว่าคิดให้ความคิดถอบผิวนอนไม่หลับเพราะความคิดเป็นสุขเป็นทุกข์ความคิดไม่ใช่ใจเป็นใหญ่จะไม่หาวก็เป็น มันเป็นใหญ่ก็ว่าได้ตุ้มลายไม่เชื่อใจตัวเองไม่มั่นใจเพื่งใจก็ไมา่ได้เปื้อกายก็ไมา่ได้ว่าได้ประโยชน์จากกายมีแต่เอาไปโทษสิ่งที่เคยประโยชน์จากกายมีเยอะแยะสิ่งที่เป็นประโยชน์จากจิตใจมีเยอะแยะเช่นความไม่เที่ยงในรูปเนี่ย มาทีไรแต่ก่อนเราไม่รู้เอามาเป็นทุกข์ความทุกข์ก็มาเป็นทุกข์ความสุขมาเป็นสุ ข, ขวัด น, นี้มาเป็นปัญญาผู้มีสติเห็นควมามไม่เที่ยงไม่เป็นเอามาไม่เอามาเป็นทุกข์มาเป็นปัญญาเลย ปัญหาเป็นปัญญาไปเลยผุ้คลเห็นด้วยปัญญาว่าลูกทํานามทํามันเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์นี่ยมันเกิดปัญญาตรงนี้เป็นทางไปถูกมักผลตรงนี้ได้แต่ก่อนเราก็ไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์วันนี้มาเป็นปัญญาเป็นบักเป็นผลได้ก็ไม่ทุกข์ก็ไม่มาเป็นทุกข์ จะให้ความเป็นทุกข์เป็นฉุกไม่ได้ความทุกข์บางอย่างเป็นเช่นนั่นเองส่วนเกิดกับลู ก, ก่อนดามนี่ก็ได้ประโยชน์จากความไม่เที่ยงได้ประโยชน์จากความเป็นทุกข์ได้ประโยชน์จากควา ม, มาชื่อตัวตนแต่เราไม่รู้ก็ได้แต่โทษความมเทีย่ยงไปเป็นทุกข์เป็นโทษ เอาความไม่ทุกข์มาเป็นทุกข์เป็นโทษบางท่านทีไม่ต้องเป็นทุกข์ก็เลีเ่ยงนี่ผู้ใดเห็นเรื่องนี้ตามความเป็นจริงนี่ยหรือว่าหรือว่ามีประโยชน์มีคุณค่าที่มีรูปมีนามเนี่ยเหมือนกันมีเลือนั่งข้ามฟากได้ ถ้าไม่รู้ตรงนี้ก็ใช่รูปเพี้นน้ำผูกฟังไปเฉยๆไม่ก็ได้ประโยชน์ก็าฝากไปได้ยิ่งจมมากับเรือด้วยขึ้นฟังไม่เป็นเวลาลูกเป็นทุกข์ก็จมอยู่กับความทุกข์ของลูกน่าจะกระโดดขึ้นฟังไม่ขึ้นฟังเลย สุข ก, ก็จังอยู่รอยอยู่นั่นทุกก็รอยอยู่ในนั่นเหมือนน้ำฝังทั้งเลยถ้าเราอยู่ในน้ําก็ขึ้ น, นชัดเราน้ำขึ้นปลาเป็นความสุข ก, ก็ปูขึ้นชัดความทุกขก็ปลาหลงไปชัดเหมือนขึ้นขอน้ําก็เราอยู่ในน้ำไม่ขึ้นฝัง ขึนก็ช็เอามันมีฝั่งนะมีฝั่งพาถึงที่ไม่มีน้ําจากที่มีน้ำพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ตะกกนเรียกขึ้นมายืนอยู่บนฝั่งนั่งเรือมามันผูกฟังกระโดดขึ้นฝั่งเห็นมันเห็นลูกที่มันเป็ทุก ในามที่าเป็นทุกทุกไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ควรถือว่าเราว่าของเรามันเป็นอย่างนั้นขึ้นฟังได้เี่ว่าหลุดค้นได้ให้หลุดต้นหลังแจกนมนมน้อยๆจะได้ประโยชน์มีความสุขไปยาวนานอยู่กับโลกได้แจกของสอตะเกียงได้บอกคนอื่น คนอื่นขยายไปพวกมีลูกก็จะได้สอนลูกพวกมีผัวมีเมียจะได้เป็นตัวอย่างของผัวของเมียเป็นคนดีนั่นเราเป็นคนดีของยอดยอดแล้วก็มีความสุขมั่นใจพึ่งกันได้ดังนี้ก็มีในสงฆ์มากมาย แตเรื่องส่วนตัวแต่เรื่องส่ ว, งวนตัวเป็นไหนสงเกิดจากสิงแวดล้อมไปได้ในพระเจ้าศาสนาของเราเนีเกิดรอมฟังอวดขึ้นเพียงพระองค์เดียวอวดเป็นพุทธะบุญจัดขึ้นมาในคนงามความดีเกิดขึ้นมาจากคนคนหนึ่งมากมาย เราอย่างได้ใช้อเน้สง์ของคนดีอยู่ทุกวันนี้เช่นผู้หญิงเช่นนางวิสาขาได้ขอถวายผ้ากรถินถวายผ้าน้าฝนล้วก็มีผ้ากรถินได้ในช้อยู่อพอผู้หญิงคนหนึ่ง ได้ใช้ภาพน้ำถูกพระผู้หญิงคนหนึ่งถ้าไม่ใช่ผู้หญิงขอเรื่องนี้ต่อพระพุทธเจ้าเราคงสังหารภาพมางุคุณเวลานี้ฤดูนี้มาทำกิวอนกิวอนมังขาดเดือนนี้ไม่ได้เป็น장นานตอนนี้นนสง สร้างวัดสร้างวาดณฐานินิขาเสถียรเจ้าโฉกหาราชสร้างวัดห้ารอยวัดกลายเป็นวัดป่าถึงประเทศไทยถุกวนันนี้ชาลบีจินเกิดขึ้นเป็นแบบเป็นฉ บ, บับเป็นคุณความดี เราได้เดินตามรอยคนดีอยู่เราก็ได้รับความะดวกอยู่ทุกคนดีถ้าคนดีเกิดขึ้นน่าจะเป็นคนดีของพ่อของแม่เป็นคนดีของสามีปัญญาเป็นคนดีของประเทศชาติตเรามีธรรมะมีความถูกต้องเกิดขึ้นเราก็จะถูกต้องไปหลายอย่าง อะไรก็พึ่งเราได้หลายอย่างเ่นนินเผน้าอากาศแม่น้าป่าไมา้ศาสตลาจริงประเทศชาติคงไม่อบเพาะบจนอย่างนี้เดีย๋ยวนี้คนไม่ค่อยจะดีจะไปเป็นรตัวกบกวนหมกองทัพทเากันไปเจยความดีความหลงควาไม่หลงความทุกข์ความไม่ทุกข์ ความไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์ความเป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์เนี่ยว่าเช่ละธรรมนูนตีความอลไยตัดสินใจได้ทุกคนความทุกข์ไปถูกต้องความไม่ทุกข์ถูกต้อ ง, มมองนี่คือธรรมนูนผู้ใดเข้าถึงอย่างนี้จะสงบไปเองเป็น โลกกับบานก็ฟองโลกไปเองไม่มีใครเบียดแล้นไม่มีใครทำลายกันไม่มีใครเบีเ่ยเบียนกันประกาศเป็นนัฐธรมนูญเลยตั้งแต่นี่ต่อไปภาวะสุขภาวะทุกข์เกิดจากความคิดจะไม่มีอีกแล้วอย่าไม่เอาความคิดเอากายเอาใจไปทําให้คนเดือดร้อนหยุดอีกหยุดเด็ดขาดแล้วอย่าไม่เอากายเอาใจมาทําให้ตัวเองเดือดร้อนเป็นทุกข์เป็นโทุกข์เด็ดขาดเลย ไม่ทำเอากายเอาใจไปทำจริงหรือให้น้ำบากเเดือดร่อนเด็ดขาดเลยนี่คือโลกกับบาลทำที่คุ้มครองโลกกับบาลโลกกับบาลคือโลกทั้งโลกจะเกิดความสุขได้ถ้าเรามาเริ่มต้นที่เรานับถึงจากเรามันก็ไปไม่รอดจึงไม่มีอื่นใดแล้วจึง จำเป็นเรื่องสอนกรรมฐานนี้ว่ามันเป็นทางไปอย่างนี้จริงๆสงบจริงๆหลุดพ้นจริงๆพ้นบาปพ้นเมรพ้นไฟจริงๆในชีวิตนี้จริงๆหลุดพ้นจากทุกขังพวงได้จริงๆในชีวิตที่เราไม่รูปไมนามนี่รูปนามนี้ก็จะได้ประโยชน์อย่างพูด จะปาใส่ ย, ยังมีการเดินไปเดินมาทำงานทำการมีมือมีขามีฉันามความดีอยู่ได้พวกเราจึงใช้ชีวิตอย่างนี้เป็นนักปวดอย่างนี้วัดว า, ารามอยู่คนไทยชอบคนไทยวัดว า, ารามแบบไทยๆจาสาธา พุทแบบไทยพระสงฆ์แบบไทยพุทธบรูชาแบบไทยเนี่ยเห็นพวกท่านปัญญาชนทั้งหลายมาเข้าค่ายเข้มแน่มันมีมรงขยันและมีที่พึ่งเนี่ยดีใจดีใจถ้าไม่มีคนมาปฏิบัติเสื่อมแล้วมอบขนิพานเฉื่อมไปแล้วนี่ยังเห็นคนที่เป็นปัญญาชนมาปฏิบัติเนี่ยก็ยังพอไม่ว่า มันเราจะมีที่พึ่งให้มาได้ับให้ได้มาได้ยินได้ฟังด้วยกันอย่างนี้มาฉ่ำฝาจากนี้คู่อย่นเข้ารู้สึกอย่างนัออกรู้สึกเวลามันชิดไปกับบารู้สึกตัวเวลามันทุกข์กับมารู้สึกตัวเวลามั น, กกมรนปรดกับมารู้สึกตัวกูา ค, คนดับย่านี้โอ้มันก็ดีไปหัดพนเืน่อนจริงๆแลว้วมั ทุกกรรมารู้จึกตัวรวมทุกจะไม่ไปก่อกให้คลเบียดล้นมาอยู่กับรวมรู้จึกตัวเจอแล้วเนี่ยทุกคนนับไปเจอบกันนี่อา้าวเขาสมควรใจเวลากลยควารัองกัน